ถ้าเวลาบาปแล้วก็ อ, อยู่ไกลขนาดไหนเาก็ส่งระเบิดไปให้นางนั้นดำรงอยู่ในชาตินั้นสเสวย อ, อิสริยสุขจนสิ้นอายุตายแล้วก็ไปเกิดในดอกปทุมในเทวโลกยัง เ, เกิดดอกบัวในเทวดาโดยความเป็นบุรุษกลายเป็นเทพบุตรรูปงามเนี่ยนะแม้จะไปไหนก็ไปบนกลีบปทุมกลีบบัวเท่านั้นจะยืนก็ยืนบนกลีบบัวจะนั่งจะนอนก็ยืนเดินนั่งนอนบนกลีบบัวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเทพทั้งหลายเทวดาก็เลยเรียกนามเทพบุตรนั้นว่ามหาปทุมเทพบุตรเทวบุตรนั้นท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกหชั้นเท่านั้นด้วยอนุภาพนั้นนะด้วยบุญเก่าที่ปฏิบัติสมถะวิปัสสนามาเป็นอย่างดีในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะแล้วก็ถวายดอกไม้ของหอมแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าถวายอาหารกรรมมานั้นก็ทําให้เที่ยวไปมาบนเทวโลกอยู่นาน ก็แสดงว่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสปะมาจนถึงยุคของนี้เนี่ยแสดงว่ามันหลายละ้านปีมากเลยนะพะไปอยู่ในนรกตั้งนานพ้นมาจากนรกก็มาเกิดเป็นมนุษย์พ้นมาเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาอยู่ในเทวดาหกชั้นนี่ขึ้นลงแปลว่าอยู่จนแต่ละชั้นอยู่จนหมดอายุอยู่จนหมดอายุแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สบายเนี่ยนะเพราะบุญมากคนมีบุญมากก็เลื่อนจากชั้นหนึ่งสู่ชั้นหนึ่งจากชั้นหนึ่งสู่ชั้นหนึ่งสบายสบายแต่ถ้าคนหมดบุญแล้วก็ ว่า อ, อะไรจะทุกข์ถ้าคนหมดบุญไม่มีอีกแล้วนี่นนะเ็เรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยทุกอย่างมันวิบัติไปหมดนะนะเรียกว่าคิดสิ่งใดก็ผิดพลาดไปหมดนะช่วยๆยังผิดเลยกย่างนั้นนะผิดที่ไม่ช่วยทำอะไรก็ันผิดหมดอ่ะก็โดยสมัยนั้นพระเจ้ากรุงพาราสีพระองค์นี้ก็มีสตรีสองหมื่นนางแม้พระราชาก็ไม่ทรงได้พระโอรสในท้องของสตรีแม้นางหนึ่งเลย พระราชากันดารลูกกว่างั้นแห่งแรงลูกไม่มีลูกซะคนอมาทั้งหลายก็กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าข้าแต่พระสมมุติเทพพระราชโอรสที่จะเสืบวงตระกูลพระองค์พึงปรารถนาถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีพระราชโอรสที่เกิดจากพระองค์แม้พระราชโอรสเกิดในเขตก็จะทรงดํารงวงตระกูลได้นะในบริเวณก็ได้กว่างั้นเถอะถ้าลูกยิงไม่ได้ก็ลูกในบริเวณก็แล้วกัน พระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงให้สตรีนักฟ้อนที่เหลือเว้นพระมเหสีประพฤตตามลำพังว่าพวกเจ้าจงทำการฟ้อนรำโดยทาตลอดเจ็ดวันแม้อย่างนั้นก็ไม่ได้พระโอรสอมาทั้งหลายก็กราบทูลอีกว่าข้าแต่มหาราชธรรมดาพระมเหสีทรงมีบุญและมีปัญญาเลิศกว่าสตรีทั้งปวงชื่อไฉนพระองค์พึงทรงได้พระราชโอรสในคันแม้ของพระมเหสี พระราชาก็ตรัส บ, บอกเนื้อความนั้นแก่พระมเหสีพระนางก็ทูลว่าจริงมหาราชสตรีใดกล่าวคําสัตย์รักษาศีลสตรีนั้นพึงได้บุตรเพราะสตรีเว้นจากฮิริและโอตปะแล้วบุตรจะได้มีจากที่ไหนเนี่ยสตรีที่มีบุญเนี่ยต้องมีศีลจึงจะมีบุตรแต่ถ้าสตรีไม่มีบุญเนี่ยนะก็ไม่มีบุตรแต่ว่าอันนั้นสมัยนั้นนะนะแต่สมัยนี้ถ้าพวกบุญน้อยๆเนี่ยบุตรเต็มไปหมด ประเภทเลี้ยงไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเนี่ยลูกเยอะมากเนี่ยนะไม่รู้จะเกิดมาแล้วจะเลี้ยงยังไงแต่นั่านะลูกโอ้ยปีละคนปีละคนหลังจากนั้นนางก็ขึ้นสู่ปร า, าสาทสมาทานศีลห้านึกถึงศีลบ่อยๆเออสมาทานศีลแล้วก็นึกถึงศีลให้บ่อยๆนะเมื่อพระราชิตดาผู้มีศีล น, นึกถึงศีลห้าพอมีพระไทยปรารถนาพระราชโอรสเกิดขึ้น อาสนะที่นั่งของเท้าส ก, กะก็หวันไหวไอบ้บรรดุกรรมพลศิลาอาจแข็งกระด้างขึ้นมาเลยลำดับนั้นเท้าส ก, กะก็ทรงนึกอยู่ทรงรู้ความนั้นดำริว่าเราจะให้พรคือบุแกรา ช, ชธิดาผู้มีศีลดังนี้แล้วก็เหาะมาประทรับยืนตรงประพักของพระเทวีแล้วตรัสว่าดูก่อนพระเทวีพระองค์ทรงปรารถนาอะไรพระเทวีก็บอกว่าต้องการพระราชโอรสมหาราช เท้าส ก, ก่าก็ตรัสว่าดูก่อนพระทวีเราจะให้พระโอรสแก่พระองค์ขอพระองค์อย่าทรงคิดอย่างนี้แล้วก็เสด็จสู่เทวโลกนึกอยู่ว่าในเทวโลกนี้เทวบุตรผู้สิ้นอายุมีหรือหนอต้องรอคนสิ้นบุญเหมือนกันนะรอรอเทวดาองค์ไหนจะหมดอายุจะเคลื่อนจากดาวดึงเนี่ยนะก็ทราบว่าพระมหาปฐมเทวบุตรจะเคลื่อนจากเทวโลกเพื่อจะไป บ, บังเกิดเทวโลกชั้นสูง ต้องการเลื่อนไปชั้นะชั้นยามาต่อไปใช่ไหมก็ขึ้นลงขึ้นลงได้หลายรอบนะถ้าทำบุญไม่เต็มเนี่ยนะแล้วก็เสด็จไปสู่วิมานของมหาปฐมเทพระบุตรนั้นตรัสขอว่าดูก่อนพ่อมหาปฐมเจ้าจงไปสู่มนุษยโลกเทวบุตรนั้นก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าตรัสอย่างนั้นเลยมนุษยโลกมันน่าเกลียดมากนอย่าเลยไปเกิดที่มนุษย์เลยมันเกิดที่อื่นเถอะ ท้าวสักกะก็บอกว่าดูก่อนพ่อคนทําบุญในมนุษย์โลกแล้วเกิดในเทวโลกนี้เจ้าจงไปเพื่อดํารงอยู่ในมนุษย์โลกนั้นบําเพ็ญบารมีทั้งเลอยบารมีทั้งหลายเถิดก็ฉลาดบอกกันนะที่นั่นเขาแหล่งทําบุญกันนะถ้าจะทําบุญ ก, ก็ไปทําที่มนุษย์นั่นแหละมหาราชการอยู่ในคันเป็นทุกข์ข้าพระ อ, องค์ไม่อาจเพื่อจะอยู่ในครันยาเถอะขอร้องยังไงก็อย่าอยู่ในคันเลยเหมนะันดูก่อนพ่อ เจ้ามีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในขันเล่าด้วยว่าเจ้าได้ทํากรรมโดยประการที่ตนจะเกิดในเกล็ดปฐมเท่านั้นไปเถิดพ่อเท้าสักกะเขามีบุญนะัระ ล, ลึกชาติให้เบ็ดเสร็จหมดเดี๋ยวไปเกิดในดอกบัวไม่ต้องห่วงเทพพระ บ, บทนั้นถูกเท้าสักกะตรัสบ่อยๆก็เลยยอมรับคำไอ้ที่ยอมรับไม่ใช่อยากเกิดนะแต่เพราะคําของอะไรเทพเครียกว่าเทวดาขอร้องเหมือนกันเถอะเหมือนกับว่า เหมือนกับอะไรนเะจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยนะไอการที่จะไปอยู่ประเทศชายแดนชนบทนี่แม่ ถ, ถูกพระราชาสั่งแล้วสั่งเล่าจึงยอมไปว่างั้นนะถ้าไปโดยใจตัวไม่ไปโรคว่างั้นต่อแต่นั้นมหาปทุมเทวบุตรก็เคลื่อนจากเทวโลกแล้วก็เกิดในกลีบปทุมในสะบกครณีใกล้พระแทนศิลาในพระราชุทยานของพระเจ้ากรุงพราราณสี ในคืนนั้นพระมเหสีพระองค์ก็ทรงสุบินในเวลาใกล้รุ่งเป็นเหมือนสตรีสองหมืนนางเวทล้อมเสด็จไปสู่พระราชอุทยานได้พระอุรสในกลีบปฐุมในสะโบกครณีใกล้พระแทน่นศิลาพระนางก็ทรงรักษาศีลอยู่ในราตรีจนสว่างเสด็จไปที่แท่นพระศิลาอย่างนั้นเทียวก็เห็นดอกปฐุมดอกหนึ่งดอกปฐุมนั้นไม่อยู่ใกล้ฟังไม่อยู่ใกล้ฝัง อยู่ในที่น้ำไม่ลึกพร้อมกับทรงเห็นนั่นแหลนางก็เกิดความเยื่อใหญ่ในพระอุรสในดอกประทุมนั้นเห็นดอกบัวก็ดอกใหญ่มากนึกรักลูกที่อยู่ในนั้นมากนางเสด็จเข้าไปตามลำพังพระองค์ก็ทรงจับดอกนั้นพอพระนางทรงจับดอกเท่านั้นกลีบทั้งหลายก็เย้มออกพระนางเห็นทารกดุดรูปทองคําที่ติดอยู่ในกลีบนั้น ครั้นทรงเห็นแล้วก็ทรงเปล่งอุทานพระสุรเสียงว่าเราได้บุตรแล้วมหาชนก็เปล่งเสียงสาธุการตั้งพันแปล ว, ว่าคนเป็นพันพันมาสาธุสาธุเสียงเกือกกล้องไปหมดแล้วก็ถามว่าได้บุตรจากที่ไหนนไพระราชาได้ข่าวก็เลยถามบอกว่าสดับว่า โอกาสที่ได้แล้วนะบอกได้ลูกจากดอกบัววัน้นก็ตรัสว่าอุทยานและปฐมสบกกรณีเป็นเขตของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุตรคนนี้ชื่อว่าเป็นบุตรเกิดในเขตเพราะเกิดในเขตของเราตรัสให้เสด็จเข้าสู่พระนครส่งให้สตรีสองหมื่นนางทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงนะอันนี้มาดูว่าใครที่รับมีพี่เลี้ยงทั้งสองหมื่นคนเนี่ยนะจะมีความสุขไหม เดือดร้อนก็เพราะพี่เลี้ยงนี่แหละก็คือสังสารวัตเนี่ยนะไปอยู่ในตำแหน่งไหนมันก็ทุกข์เหมือนนต่สตรีใดๆให้พระกุมารทรงรู้ทรงเคี้ยวขาชินิยะที่ทรงปรารถนาแล้วที่ปรารถนาแล้วสตรีนั้นย่อมได้ทรัพย์พันหนึ่งแปลว่าใครให้อะไรก็ได้แล้วพระะอรสทานหรือเสวยเนี่ยนะได้พันหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวพารณครพารณสีทั้งสิ้นก็เคลื่อนไหว ชนทั้งปวงก็ส่งบรณฑการตั้งพันไปถวายพระกุมารพระกุมารถูกมหาชนนําสิ่งนั้นนําสิ่งนั้นทูลว่าจงเคี้ยวสิ่งนี้จงสเสวยสิ่งนี้ก็เลยเบื่อละอาด้วยโภชนะหน้าเบื่อเหลือเกินนะกอ่ะนะก็เมียนมี่อเดียวกินนั่นสิเดียวกินนี่สิพรากินแล้วต้องจ่ายพันอยนะ่างยใครก็อยากให้กินแต่นี่แม่มันมันเบื่อที่จะกินอ่ะนะแรกๆมันก็อร่อยดีใช่นานๆเข้านานๆเข้ามันําคาญบอกไม่ถูก ก็เลยไปที่สุ้มพระทวารก็เลยเล่นกับก้อนครั่งเป็นเด็กๆนะเล็กๆมานั่งเล่นดีกว่าในครั้งนั้นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงพาลณสีพระองค์พระประเจกอยู่ที่ป่าอิสิปั ต, ตนะมฤุกขายาวันเนี่ยนะท่านก็ลุกขึ้นตามการทํากิจทั้งปวงมีเนสนาสนวัตบริกรรมร่างกายและเจริญกรรมฐานเป็นต้นออกจากที่หลีกเรนกนึกอยู่ว่าวันนี้เราจะไปรับภิกษาที่ไหน ก็เห็นสมบัติของพระกุมาร น, นะเห็นว่าพระกุมา น, นี่พระเจ้ารสเป็นผู้มีบุญก็เลยพิจารณาว่าในกาลก่อนพระกุมา น, นี้ทรงทํากรรมอะไรก็รู้ว่าพระกุมา น, นี้ได้ถวายบิณฑบาตแก่พระประเจกับพุทธเจ้าเช่นเราแล้วตั้งความปรารถนาไว้สอย่างความปรารถนาห้าอย่างสิเนาะปรารถนาไว้ห้าอย่างในปรารถนาสอย่างนั้นสามอย่างสําเร็จแล้ว อีกอย่างหนึ่งยังไม่สำเร็จก่อนนะคือข้อสุดท้ายเท่านั้นที่ยังไม่สำเร็จข้อแร ก, กว่าอะไรนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอันนั้นก็ชาติโน่แหละดีตชาติแล้วใช่ชาติหลังมาก็ขอให้เกิดเป็นปทุมก็สำเร็จที่สองให้เป็นบุรุษก็สำเร็จที่สามขอให้บรรลุอมะตะนะก็เหลือข้อสุดท้ายคือข้อที่บรรลุอมตะนั่นแหละก็เลยตรัสว่าข้าแต่ Sometimes. เพราะฉะนั้นพระปัเจก็เลยจักให้อารมณ์โดยอุบายแก่พระกุมาร น, นั้นก็ไปสํานักของพระกุมารด้วยอํานาจแห่งการพิกขาจริยาคือก็ไปเที่ยวบินทบาทนะจะไปสงเคราะห์ด้วยการบินทบาทให้เห็นพระกุมารพอเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้าก็ตรัสว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่ามาที่นี้ไล่บอกพระเลยนะเพราะคนทั้งหลายก็จะกล่าวกับท่านมาจงเคี้ยวสิ่งนี้จงกินสิ่งนี้มันเบื่อจริงๆเลยนะเบือ่อ ใครเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่รู้นะใครที่เข้า ง, งานเลี้ยงบ่อยๆเนี่ยนะโอ๊เว้ยมันน่าบเบื่อจะตายเนี่ยนะมันน่าบเบื่อจริงๆเน่ย <c oughs> ก็มาบางช่วงเนี่ยนะบางช่วงเนี่เหนื่อยที่สุดเลยต้องไปฉันอีกแล้วเนี่ยนะกลัวจริงๆเลยนี่มนันฉันโอ้ฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยบางทีก็ฉันแปดโมงเก้ามงสิบเอดมงอีกแล้วเนี่ย <c oughs> 8, 9, 10, 11, 11, โอ้น่าบเบื่อมันกันนะบางทีมันก็พระอะไรนะ พระราชาโอรสนี่ก็บอกโอ้ยนี่หมดไปที่อื่นเธอเดี๋ยวเขาจะให้กินอีกแล้วเนี่ยนะถือว่าเรื่องน่ากลัวเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยเรื่องนี้พระประเจกกับพรุทธเจ้าพอฟังคํานั้นก็กลับจากที่นั้นด้วยคําพูดคําเดียวเท่านั้นกลับไปสู่เสนาสนะของตนฝ่ายพระกุมารก็ตรัสกับชนว่าสมณะนี้พอถูกเราพูดแล้วก็กลับเอ๊ะท่านโกรธเราหรือเนาะคือตอนนั้นแสดงว่าเริ่มเป็นหน่มแล้วนะเริ่มเป็นน่มแล้ว ตงใส่ท่านโกรธเราแน่นอนเหมือนกันแต่นั้นแม้ชนเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพธรรมดาบรประชิตนักบวชทั้งหลายเป็นผู้โกรธเป็นเบื้องหน้าหาม่ได้คือท่านไม่ใช่ว่าเป็นคนมักโกรธหรอกว่าคิดอะไรคํานิ่ๆหน่อยๆก็โกรธไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกย่อมเป็นอยู่ด้วยปัจจัยที่คนอื่นถวายด้วยใจที่เลื่อมใสพระโอรสก็เลยคิดว่าสมณะนั่นคงเป็นอย่างนั้นเออดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ ก็เลยทูลแด่พระมารดาพระบิดาว่าจาักยังพระประเจกกับผู้เเจ้านั้นให้อดโทษเดี๋ยวจะไปขอโทษพระประเจกหน่อยก็เลยทรงช้างไปสู่ปาอิสิ ป, ปัตนาจากเมืองพรารณสีเนี่ยก็ไกลโขมกันนะจากเมืองพราราสีไปปาอิสิ ป, ปัตนาเนี่ยนะถ้าเดินก็ครึ่งวันล้มั้งไกลโขนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงช้างไปด้วยอนุภาพพระราชาอันยิ่งใหญ่ โครงทรงเห็นฝูงเนื้อก็ถามวันนั้นเชื่ออะไรเหล่านี้เชื่อวเนื้อพระเจ้าค่ะเพราะป่าอิสิ ป, ป ต, ตนาเนี่ยพวกเนื้อพวกกวางพวกอะไรเยอะเนี่ยนะสมัยนี้ก็ยังพอมีอยู่นะเขาก็มีแขกมาขายถั่วเรื่อยขายถั่วเลี้ยงก็บอกว่าหนูก็หนูก็โยนไปสิทไมต้องมีคนซื้อคนขายด้วยนะก็หิวมาจะให้เนื้ออยู่แล้วใช่ไคุยเด็กแขกไม่รู้เรื่องต่อไปก็บอกว่าเนื้อพระเจ้าค่ะ พระราชกุมารก็บอกว่าเนื้อเหล่านั้นกล่าวว่าจงเคี้ยวสิ่งนี้จงกินสิ่งนี้จงลิ้มสิ่งนี้แล้วปฏิบัติอยู่นี่มีหรือไม่คือมีใครมาคอยบอกเนื้อจงกินนี่เนื้อจงกินนั่นเนื้อจงเคี้ยวนู่นมีใครคอยสั่งคอยบอกแบบนี้ไหมไม่มีพระเจ้าค่ะที่ใดมีหญ้าและมีน้าหาง่ายเนื้อทั้งหลายก็ไปที่นั้นแลพระกุมารนี่ก็เลยคิดว่าเนื้อเหล่านี้ก็ยังไม่มีใครรักษา ก็ย่อมอยู่ในที่ที่ตัวเองปรารถนาฉันใดในกาละใดเนาเราเพึงอยู่ฉันนั้นบ้างเมื่อไร่เราจะทําอะไรอย่างสบายๆอย่างที่ใจเราอยากทําบ้างก็เลยถือเอาอาจารย์เนื้อเป็นอารมณ์เอาอาจารย์เนื้อดูสิเนื้อไปไหนมันยังไปตามสบายของมันเลยแล้วเราล่ะเมื่อไหรเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะมีแต่รักขาล้อมหน้าล้อมหลังกินสิ่งนั้นสเสวยสิ่งนี้หูน่าเบือ่อ